ความรื่นลังมันถึงไปมาหาสูไปแบบไหนมาอย่างไรอยู่อย่างไงกันโลกภายนอกเขาอยู่กันยังไงไม่มีทางทราบได้เ้าเราอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดเด็กอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดนี่เราเป็นข้อเทียบเทียงความสุขความทุกข์เท่ า, ท, ท, าที่มีอยู่ในนั้นไม่มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรได้ไปจากโลกนอก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 สุขหทุกข์มากน้อยเพียงไรอดอยากขาดแคลนลําบากลําบนถูกกดขี่บังคับขนาดไหนก็เคยเป็นมาอย่างนั้นดังด้งดั้งตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไม่ทราบจะออกไปไหนจะปลดเครื่องตนไปได้อย่งไรจะออกไปโลกนอกโลกนอกไม่ทราบอยู่ที่ไหนอฮะก็เห็นแต่โลกในโลกถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลากดขี่บังคับเลีืยนตีกันนี่ประมานกันอย่างนั้น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 พอมไม่เคยเห็นน้ำมหาสมุทรทะเลไม่เคยเห็นน้ําบึงน้ําบ่อที่ไหนคือคว้างขวางที่แยกร่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายมันเห็นแต่น้ำใต้ถึงบ้านถึงเดือนที่เขาเทร่างสิ่นร่างของไปแล้วกตึกขังนั้นมันเ็เล่นนันก็สนุกสนานแยกร่ายท้งมันได้ยกสะดวกสบายรื่นเริงเพราะเห็นไรพอมัไม่เคยเห็นน้ําที่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 มานเป็นเครื่องปลกเครื่องและผลเกิดขึ้นจากการปลกเครื่องได้ได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความสบายภานจิตใจเบาอกเบาใจนเป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลาดับความอุตสาความพยายามความอดความทนมาตามๆกันมาทีเดียวสติปัญญาที่เคยนอนจงอยู่ในตักแต่ก่อนก็ค่อยฟื้นตัวตื่นขึ้ น, นมาค้นคิดพิพพจารณา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 ถ้าจักใจซึ่งเป็นของมี อ, อยู่ด้วยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจนี้แล้วจิตใจต้องมีความคล่องแคล่วที่จะคิดพินิจพิจรารณาเกิดความอาจหานขุดค้นเห็นทั้งโทษพยายามแก้เห็นทั้งคุณพยายามแบบไหวยพยายามส่งเสริมไปโดยลําดับลำดั บ, ดบนี่เรียกว่าจิตค่อยปลดเรื่องจากสิ่งกดขี่บังคับหรือจากเรื่องจำ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 หรือล้างความสุขนั้นให้หายไป um. ดูําดับนี้ทีนี้เราได้เห็นความสุขภายนอกก็เห็นโลกจากโลกนอกก็เห็นความทุกข์ภายในก็เห็นความสุขที่ภายในจิตใจมัก็เห็นหรือความสุขที darum, ่มีที่มีอยู่ที่อยู่ใต้อํานาจของกิเลสก็เห็นความทุกข์ที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็เห็นรู้โดยสติปัญญาของตนเองปรจักษกับใจหรือความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอกคือได้แจ้ง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 ความเพื่อต่อแดนพ้นทุกือยะความภาคเพียรที่จะทําตัวให้ดุจพ้นไปโดยลำดับขันติความอดความทนเพื่อบึกบืนให้ผ่านพ้นไปได้ก็มาเดิยลำดับมาพร้อมๆกันเลยสติปัญญาที่ใช่ควรไปตามแนวทางอันใดถูกอันใดผิดก็มาตามๆกันมานี่ถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก็เรียกว่ามรรคสมังขี